นโมตัสสะภะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติิภะคะวอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวตต ขณะโอกาสปัตนี้อาตมาคาบจะแสดงพระสัรมเทสนาในความเป็นมาเขอวิสาขาปูชาเพื่อเปรีเพเทียโสดทรงองค์คาสธาบารมีที่บรรดาธนิสราประธานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญขนประําตักคือวันขึ้นสิบห้าเดือนเจ็ดพระเรียงวินี้แปดสองหน ตรงกับวันที่28พฤษภาคมคศ2534เป็นวันอังคารวันนี้ตรงกับวันสำคัญในพุทธศาสนาก็คือวันเป็นวันวิสาขบูชาการเป็นหจริงๆแล้วการเดือนหกธรรดาท่านพระตบะยศในแปดสั้นหนึ่งก็เรียกว่ากางเดืนเจวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเรื่นเป็นวันประสูตรคือวันเกิดหลวงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน สองเป็นวันมรุอริเศสสัมมาสัมพุทธายายนพระพุทธเจ้าเลยแล้วสามเป็นวันปริทินปานเลยตามจริงเรื่องราวความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะเท่จะตามประศุดก็จะมีการซ้ํากันอยู่เสมอเล่าเรื่องความเป็นมาต่างๆแต่ว่าวันนี้จะเจาะเฉพาะเรื่องที่มีมความสําคัญว่าองค์สมเด็จพระกัลยาณม์พระมุสดาาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> สมัย ข, ขแล้วในโลกมีความสำคัญกก่ชาวโลกเป็นประการใดบ้างกร่าวความว่าท่านมีความสำคัญในความดีอะไรบ้างความดีพระเจ้าอันับแรกหือว่าในตอนแรกทิเบตไปอภิเษกสมาทั้งโพธิญาณใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัทสดาใต้พระเดชเปรสอนบรรดาพุทธบริษัทจะท่านเข้าถึงเมืองราชเกื้อมาหานคร เวลานั้นองค์สมเด็จพระจินบรอยก็ทรงมีพระสงฆ์สาวกสองพันห้าร้อยรูปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อถึงวันกลาเ 3, ง, งเดืนสามองค์สมเด็จพระบรมสุคต์เห็นว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันทั้งหมดไม่มีการนัดหมายกันให้ไปการในสองพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคต์เห็นไม่าอัศจรรย์แบบนั้นเลยเป็นธรรมดา ท่ได้สงตัดพธรรมเทศนาวางกฎคุอวศา ส, สนาไ ว, ว้เพระ่อการวางกฎพระศาสนาคือว่าต้องการให้ทุกคนมีความสุขว่าเธอทั้งหลายต่อไปถ้าจะเทศคอยเทศโสพระบรรดาพุทธบริษัทเหมือนเหมือนกันเพราเวลาในตอนกอ่อนท่านองค์สุเดรภพกวันท่านประกาศพระศาสดาสอนเทศก่อนใครใครไปพระหัตก็ดีปดไปโสดาบันก็ตาม เมื่อท่านสมเด็จเจ้ก็ส่งไปประกาศพระศา ส, สนาทุกคนหมดแต่ปรากฏว่าการแนะนํายังไม่เสมอกันท่า น, นองค์ทมเด็จพระวัตรี่ได้วากฎเป็การสรแสดงพระบารมีศาสนาไว้ว่าท่านหลายเวลาจะเทศโปรดพุทธ บ, บริษัทคนเรืองหนึ่งสัรพปรราภาษาการนังจงแนะนําให้ทุกคนไม่ทําความชั่วทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างมีปานาติบาเป็นต้นไม่ทํากันสองกฎศาสนาสมัชชาต้องแนะนำให้ทุกคนทําได้ความดีสามพจิตตาปรี่ยวตะปันนางให้ทุกคนทําจิตใจของสายจากีเลศแต่องค์สังเดชพระบรมรูปกระเชจะทรงรับรองว่าข้าพเจ้าทุงองค์ตัดอย่างนี้เหม็นขัดหนอนี่เป็นความดีองค์ทังเดชพระบรมสุขกฎธรรมนี้เพราะอะไร ว่าถ้าเราทําความชั่วบรรดาท่านพุทบริษัททั้งหลายดินแดนที่เคยอยู่ก็มีคนจะทําความชั่วคือหนึ่งอบายลลาภุมังศีแต่การเกิดตั้ตการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ปีศาจนี้เราไม่ชอบถ้าไม่ชอบผลขอ ง, ข อ, งอบายภุมัลลงศีก็ต้องกายความดีคือทําความดีเคือทานเป็นต้นกันให้ท า, ก า, ง, สาสงการรักษาสิ่การเรียนภาวนานี่เรียว่าทำความดี แต่จากการเจริญภาวนานให้รู้จักขั้นห้ า, าขั้นห้ามีสภาพเป็นยังไง ร, ร่างกายของคนตัวดีร่างกายเขาใส่คนดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความแปร ร, รูปกลางมีการแตกตรายตัวเป็นอันที่สุดตายเหมือนกันหมดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ไม่รักคือไม่เกาะในสังขารเกินไปหมายความว่าร่างกายของเราเราต้องเกาะ แต่เกาะอยัางในคนมีเหตุมีผลก็หมายความให้รู้ว่าองค์ตนเองก็เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็แก่จะทำกลางแล้วก็ตายในที่สุดเหมือนกันหมดถ้าเราเองไม่ติดใจในร่างกายต่อไปที่ว่าร่กายเกิดเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์กรารเระกออบปิดใจง่ายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความทลาดพลาดจากความรักของชักใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ เราก็ไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีกคือ ท, ทว่าตายคราวนี้เขาไม่มีร่างกายต่อไปได้คือนิพพานาเรืจจ่องทํามจิตใจพอใชจะกี่เล่นในเรื่องต้นองค์สัจธรมรมมุชกเชตัดอย่างนี้นี่มาในตอนปลายวันที่จะนิพพานองค์สัจธรรมไตรบริมสาสันดาสมาพ ร, ระเจ้าธงตักับพระอานนท์พระอานันท์ดูก่อนอานนท์ ในเมื่อวันเนตถาคุจะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระนุนก็ร้องไห้เสียใจว่านับธรรบัตรนี้ไปข้าพ่าเจ้ายังไม่เป็นประธันไม่แค่พระโสดาบันก็มีบุคคลใดเล่าที่สอนต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไกรประมาสจาริกัดว่าอ น, อนาันทาโดยกอนอนนุน <c oughs> คำสอนใดๆที่ตถาคุณสอนพวก็เกิแล้ว คำสอนใดที่จะหวงไว้เพื่อครูแลไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเราท้างอนสอนเราทาก็สอนทั้งหมดขอให้บอสเฟยทุกคนปฏิบัติตนตามนี้คือว่าอภิมาเดนะสัมบาริธาว่าท่านทั้งหลายกงยังทำไม่ประให้ถึงพร้อมนั่นหมายความว่าไม่หน่อยหมายว่าจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วนึกแม้จะเล็กน้อยที่เราทํามันจะไม่มีผล ตามในอ ง, งนสมเด็จพระทศกุลทรงตัดกับบรรดาพระพระองค์หนึ่งท่านไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคือของที่คนเข้ามาถวายม่เตียงมีต่างในพระจนะเป็นต้นก็ทิ้ตงตากแดดื้อบ้างทิ้ตงตากฝนเื้อบ้างมันก็เสียหายต่อมาเมื่อมีพระขันพระกราบไปห้ามปราหมบองค์นั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สําคัญ พ้ะก็เข้าไปฟ้ององค์ขุนเถรทองทานทือพระพุทธเจ้าว่าพระอง น, นี้ธรรมแบบนี้เป็นการทำลายศรัทธาพระบิดาใจพระธบริบษัทถ้าของที่เราให้มานี่ยจะถือเป็นราคาของไม่ได้แม้แต่ของมีกาลังมีราคาเล็กน้อยต้องถือกําลังใจคนสำคัญเพราะคนให้เราให้ด้วยความเรื่มใส่ให้ด้วยแต่ศรัทธาพระพุทธเจ้าคนนี้พระเอาดัเข้าไปถามพระเอาดันก็บอกว่าไม่เป็นของเล็กน้อยเพื่อค่าเป็นของรที่ เป็นของที่เขาเก่าแล้วก็ไม่มีความวิจิตรศิลานของราคาโนยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำอย่างนั้นแต่มันบาปคือชั่วของที่เขาให้มาแล้วต้องรักษาด้วยด้วยกําลังใจของเขาไม่ใช่รักษากําลังของของของราคาน้อยแต่กําลังใจคนให้เป็นกําลังใจใหญ่ไม่สักระมากต้องรักษากําลังใจเขาจะเป็นราคาดีก็ตามเขามีราคาน้อยก็ตามต้องเก็บรักษาให้ดี ถ้ามันจะผูกมันจะพังด้วยการรักษาดีแล้วก็ไม่เป็นไรการทิ้งอย่างไรไม่ไม่ผูกนั่นเป็นความชั่วถ้ายัางตัางเกือนว่าเธอทหลายงจงระวังจงอย่าคิดว่าความชั่วเล็กแเล็ ก, ลกลน้อยจะไม่มีผลกับเราถ้าบกว่าเหมือนก็ว่าคนที่เอาพภาชนะว่างๆมาเปล่าก็ขันมาเปล่าไปวางบนนักขาฝนตกลงมาบ้างน้ำข้าหยะถล่มาบ้าง มันจะดตัวมาทีเล็กตัน้อยไม่ชานำข้างก็เต็มขันชันใดแม้แต่ความโชคก็เช่นเดียวกันถ้าทำข้าละเล็กขะน้อยต่อไปเมื่อทำมากๆก็ถึงอบายภูมิบันใหญ่คือเือาเวจีมานารกตกหลกตกหมัดเหมืกันไป็นมารถโทษแม้แต่บึงก็เช่นเดียวกันนี่ดาบรรดาเทพธิดบริษัททุกท่านพระองค์สมเด็จพระพกทธบาลแต่ก็ว่านนวะอนันท์ธาตุกอาถนนคำสอนใดๆที่สถาคดสอนแล้ว ไม่มีการป้องกันไว้เพื่อสูงคือความรู้เฉพาะกลุงไม่มีสอนหมดขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคาสอนที่องค์สเด็จพระรมโคตรอธิบายไปแล้วมาแล้วกันทุกคนจะวังนิพพานแต่เหมือนกันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่อนันทะโดยก่อนอน น, นเวลานี้เธอยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรหลังจากที่ตถาคตนิพพานไปแล้วไซ ต่อจากนี้ไปเรื่องข้างหน้าไม่ไกลนักพระมหารกรสบจะเป็นประธานในการทําในการ ท, ทําสังฆนาได้คืนไว้ก่อนนี้เขาจะทาสังฆทานคืนวันนั้นอนนท์จะเป็นพระอาจารเข้าไปสมิธายานแล้วต่อไปในเรื่องหน้าอนนท์จะไปไหนก็ตามเวลาที่จะไปเทศิไหนจะไม่มีคนเบื่อไม่มีคนอินในการฟังธรรมจะพอใจในการฟังธรรมของพระอนนท์ อนนทเสตจบเขายังไม่อยากให้เลิกด้วยนี่เป็นต้นว่าตอนนก็ดีใจแต่หลังจากนั้นไปองค์คุณเตวิจอมใจระบริสัทธ์สันดาสมาพระเจ้าประสงนิผ่านอะไรบรรดาท่านพรธบริษัทธ์ยังไม่จบเป็นอนุภาคการพูดกไปถึงตอนนี้ก็ไปพูดอะไบรรดาญาติโยมพระบริษัทธ์บางว่าการเกิดมาทุกคนเนี่ยมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในทั้นกลางมีการสลายตัวในรีสบตายเหมือนกันหมด แม้จะองสมเด็จเพราะเราเป็นโชคเองก็ยังปฏิพันธ์ร่าคนที่มีความสำพันญเท่าพระเจ้านจะไม่มีขึ้นหนึ่งคำว่าโลกเอว่าโลกกับกระบาลโลกที่มีความดีเท่าพระเจ้าจะไม่มีแต่พระเจ้าดีกว่าคนทั้งสามโลกแต่พระเจ้าเองก็ต้องนิพพานคือคำว่านิพพานก็คือตายร่างกายมันตายแต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วยจิตใจไปนิพพาน <c oughs> ตอนนี้ก็มาจะพูดแล้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานเพราะอะไรเป็นเหตุพุทธเจ้าเองเคยตรัสกว่าอนันต์ว่าอนันทะโดตุกตอนอนต์บุคคลพูดใดเนี่ยพระผู้ใดก็าตามที่เข้าอิธิบาทสี่คือฉันทะวิญยะจิตจะวิมังสาฉันทะมีความพอใจในการทําความดีวิญญาพังเพียรในการทําความดีจิตจะจิตใจจดจ่จจอในความดีที่เราทํา มีบางสามไม่สงสัยในผลของความดีทั้งสี่ราการนี้มีในบุคคลผู้ใดบุคคลคนนั้นสามารถอธิษฐานตัวเองให้อยู่ได้ทัิงหนึ่งกับหมายคอายุหนึ่งกับที่อยู่ได้แน่นอนแต่ว่าเวลาที่จะนิพพานจริงๆองค์สมเด็จพระชินนวบกคคลบริรบสัทธ์สันดาลสมมาธรรมระเจ้าที่ผานมายุแปดสิบปีทั้งนี้ก็เป็นกฎของกรรมบรรดาทธรรมบริสัทธ์ขึ้นชื่อว่ากรับนี้ไม่สามารถจะทำ ใครจะสามารถจะทำลายได้เมื่อถึงวาระแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันนี่ความจริงจะ่ปจะเทื่จะอื่นน่ะมันลงกลาไปแล้วก็ว่าไปคำว่ากรรมอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านมายอะแปดสิบปีตามพระสูตรก็มีว่าในสมัยครั้งหนึ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกของคนจนชาวป่าเวลานั้นพ่อตายเลือแต่แม่ ก็ตัดฟืนเลี้ยงแม่ทุกวันไม่ใช่หาเนื้อหาปลาไม้ใช่เิศการตัดฟืนขายแล้วก็เลี้ยงแม่ได้กินไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งไเล็กน้อยได้มาแล้วทํากับข่าอาำอาหารเลี้ยงแม่ร่างามตามตามปก ต, ต, ตินี่ก็เต็นคนที้มีความกระตันรูปคุณแต่มาอีกมาในการนะครับนั้นปรากฏว่าในเบือนั้นมีรากสดือยักษมันอยู่ใต้ได้ที่ใต้บาดาล ใอเวลานักการนักขักตฤกษกอ่างวันตรุษสงการเป็นต้นมันก็ขึ้นมาเมื่อคนไปชมกันมันก็ไล่จับคนกินเมื่อเป็นที่พอใจของมันแล้วมันก็กลับทำอยู่อย่างนี้ทุกปีชาวบ้านเขาก็มาร่องเดินพระราชาพระราชาก็ตั้งทหาร ไ, ไประดักาาว่าเจ้ายักษ์ม่ขึ้นมาที่ไหนให้ไปดักที่นั่นให้ฆ่ายักษ์แต่ปรกากฏทหารที่ไปดักฆ่ายักษ์ทหารถูงจับยักษ์กินหมด ต่อมาพระราชาก็หมดทางเราคิดว่าจะมีใครบ้าที่มีป่าวสามารถจะปราบยักษ์ได้เพื่ให้ป่าประรากาศไปว่าถ้าใครสามารถรับอาสาปราบยักษ์ได้แค่ปราแข่รับอาสาพอรับอาสาเสร็จว่าจะปราบยักษ์ใช้ทองเท่าหลวงักหนักเท่าตัวคนเป็นเครื่องยืนยันไว้ก่อนแล้วสมมติว่าท่าตายครอโครัก็จะมีทองขายดินได้ ถ้าไม่ตายกลับมาแล้วจะให้เป็นอ่าให้เป็นอมตะหมายความว่าจะเป็นอมตะทจะมีความเป็นผู้ใหญ่จะแบ่งสมบัติี้ครึ่งหนึ่งแม้ว่าแม้อำนาจไปครึ่งหนึ่งตาโกงเขาปาาราบกาศไปเขาเป็นไปใครรับบังเอิญไปถึงบ่าของพระโงนสายเกิดพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกคนจน เมื่อท่สนทราบตามความจริงเราคิดว่าเราเป็นคนจนเราเลี้ยงแม่นี่ให้มีความสุขด้วยการตัดเปินขายให้เงินมันก็ไปเหลือขายวันนี้กินพวงนี้ก็หมดทำอย่างนี้ทุกวันแม่ก็ไม่มีความสุขมากถ้าบังเอิญถ้าเราจะตายเพราะการใช้ยักษ์จับกินแต่ถ้าว่าแม่จะมีทองคําหนักเท่าโต๊ะถ้าโรงพักหนักเท่าโตคนแม่ก็จะมีความสุขที่จะมีความกตัญญูระเวทีมาก ยิ่งรับอาสาเขาเข้าไปเจ้าจะปราบยักษ์เมื่อรับอาษาเสร็จเขาถามชื่อเสียนงนามเสร็จเขาก็ปาไปก็อจะลาไปเป็นลาแม่แม่บอกว่าถึงแม้ว่าแม่จะมีาาค า, า, ไไ า, ามลบากยากแค่นสนใดประทับใจถ้าลูกไปชีวิตอยู่ก็แม่พอใจไม่ต้องการทองแต่ถ้าว่าเวลานี้ลูกเลยบอกว่าเวลาได้รับปากแล้วต้องไปถ้าไม่ไปพระราชาอาจจะสั่งประหารชีวิตแม่ก็ต้องตัดสินใจอนุ ญ, ญาต เมื่ออนุญาตแล้วท่านก็ไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ถามว่าท่านต้องการทหารกี่คนต้องการอาวุธอะไรบ้างที่จะฆ่ายั ก, <c oughs> กษ์ดาวพระบรมพุทสัยคือพระเจ้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องการทหารไม่ต้องการอาวุธเพียแค่คนเดียวจะฆ่ายักษ์เมื่อฆ่ายักษ์ไม่ได้ยักษ์ก็ฆ่าข้าวเจ้าเองพระยาจะถามว่ายักษ์มาขึ้นมาตรงไหนเขาก็พาไปดู ขึ้นตามบันเวลาพอถึงเวลานั้นถ้าไปดังที่ปรากโคลงที่มันจะขึ้นพอยักขึ้นมาหัวจะโกรธจะโครงถ้าไม่มีอวุธก็ยกเท้าก็จะทิพย์จะกระทึกหัวยักให้คอหักยักเพราะเราเห็นที่เท้ากลางเท้ า, า, า, า, กกากกท่านมีกองจับยกก็บากรปชาก่อนชาก่อนท่านท่านเป็นวับริษัตว <c oughs> ถ้าหากว่าท่านอยากฆ่าเราเราก็ตายแต่ท่านไม่ควรจะฆ่าเรา พระพุทธศาสน์คือพระเจ้าบอกว่าไม่ได้วันนี้ชลนะอัสสา ม, มันก็จะฆ่าแก่เพาใจมีความร้ายกาดมากยังไงก็ต้องฆ่าแก่แน่ยากบอกว่าถ้านจะฆ่าเลยบรรดาปคอยกเว้นนิเถอยท่านก็ไม่ยอม <c oughs> ยั ก, ก็เลยบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ามีอายุแปดสิบปีต่อไปต่างว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าจะเต้อนิพพานมาออายุปดสิบปีนะที่อยู่ถึงกลับถึงกันไม่ได้ พระพุทสัยก็บอกว่าจะอยู่กี่ปีก็ตามในเมื่อเราประสานมาแล้วก็ความไปอยู่เป็นสุขทุกคนทั่วไปไม่อย่างนั้นเอ็ก็จับทุกชาวบ้านกินตามสบายเขาไม่มีความเสือดร้อยเลยก็คือขอยักษ์ยักษ์ก็คอหักตายเป็นอว่าในพระสูตรบอกว่าพระสัยเหตุนี้ในเวล า, าอายุแปดสิบปีองค์สมเด็จพระจีนสีพระบาลศาสนาสมมาธรรมจ้าอยู่ที่ปาวาเลเจดีก็ทรงเข้าไปชวนหนัก ป่วยมากขึ้นทุกวันเวลานั้นหมอไอซิวะกับมรพัฒไม่อยู่ลาสมเด็จพระรามครูไปไปที่ไปทุราที่อื่นพระเจ้าก็ป่วยหนักขึ้นมาทุกวันแต่ถึงว่าป่วยหนักขึ้นมาแต่ก็เทศใครบ้งต้องทางทางเทศแต่งเทศเพราแต่ว่าตอนหลังไม่ยอมเทศประโซรสชาดกเทศเฉพาะทศนิพนธ์ปัญญาอย่างเดียวเพื่อเรื่องว่าผลต่อมานในแม่ทั้งกรมมรพัฒกลับมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศดล มองเห็นพระพุทธเจ้าทรงสูบสิทิมากอาการป่วยหนักมากก็เข้าไปถามทูลถา ม, ม่าเวลานี้องค์สมเด็จก็พูดไปพร ะ, ระ เ, เจ้าทรงพระบัญชวนพระเรื่องอะไรแต่องค์สมเด็จประจําใจทีไม่ตอบเพราะถ้าสือตอบถ้านกรมาราก็รักราษาหายนิพ่านไม่ได้ <c oughs> เวลานั้นจะตรงาอายุสังขารแล้วเพราะนับตอนนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้าคือกลางหนักราะนิพพาน ที่สวามรังรางมั ง, งคุลเป็นกนรูสิทธาดามานครในอธิษฐานแล้วตัดสิศใจแล้วก็ไปยอมบอกทระกุมารพัชท่านกรมมารพัชก็กกรู้สึกเสียใจเพราะว่าเราพอ่อพระที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องป่วยมากอย่างนี้เพราะเราไม่อยู่จังคิดว่าเราจะทํายา ถ, ถ, ถ, ถวายพระโทัพรพุทธเจ้าส่อหนึ่งเม็ดถ้าองค์เสด็จพระบรมครูฉันยาเม็ดนี้เราจะทราบได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าเป็นโรคอะไร แล้วเราจะถวายายาอีกเม็ดเดียวชั้นเม็ดเดียวจะหายทันทีเมื่อทํายาทดลองตรวจไข่แบบนี้สมายประทวายพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงรั บ, วราบาเวลาประเข้าไปทั้งข้ามมือเสียทั้งไม่ยามหายมือไปเชนสามครั้งเมื่อไม่ทรงรับต้องทำได้แค่สามครั้งท่านภูมิมาพัฒเองท่านก็เป็นพระโสดาผัน <c oughs> ท่ า, ญญางงนทราจิยาอค์ขอดชเป็นสัมมาธรรมพระเดชจา เม่พระพุทเจ้าไม่สรงฉันก็รู้เสียใจว่ายัางไงพระเจ้าตอนนี้ตายกันแน่แต่ยาเม็ดนี้ถ้าเราจะให้ใครจริงก็ไม่สมควรทิร้งไปทิ้งในบ่อน้ำเพราะพระที่ยวจัจจาน้ํามันอยู่ก้นบ่อมันฟูขึมาถึงปากบอหลังจากนั้นเวลาจะก่อนจะถึงวันกลางเดือนหกคือเมื่อวานนี้นะวันแต่วันที่สี่ค่า องสมเด็จพระพุทมีพระภาเจ้าทรงพรให้พระอนุบังกาศพระอนุนอ น, นันทะโดยวกันอนุจงพระเดียงพระสงฆ์ในกงคฝากคาว่าพระเดียงเชิงประกาศว่าวันนี้เราจะเมื่อไปเมืองกรุงสิทธราหมาหานครวันพรุนี้จะนิพพานที่นั่นถ้าพระองค์ไหนจะไปกคาถาคตให้ไปด้วยกันเวลานั้นมีพระประมาณสองแสนองค์เสรอยู่ด้วยกัน เมื่อราพระองค์สมเด็จระสงท่านบรมศาสตรดาจะไปเป็นุุฎิรามาลนครต่างของก็ต่างไประยะทางจากปาวาราเจดีถึงกุฎิรามาลนครใช้เวลาร้อยยี่สิบโยชนใกล้ๆนักไหมก็ไม่ว่าน่นระหว่างทางได้เดินไปแค่หกสิบโยชนพระเจ้าก็ทรงหยุดท่านเดินนําหน้าตด้ก่อนหยุดท่านบอกว่าอนวัฒนทัดเกินอนุทิ ตาทาก็ตาทาก็เหนื่อยเหลือเิน <c oughs> ความจริงท่านห่อได้แต่ถ้าไม่ห่อไอ้ท่านห่อนี้ต้องอาศัยความจําเป็นเพราะนั้นท่านดูก่อนนอนจงปูสังฆะทิตาทาก็เจนนัง่งทนนอนกระโบสังฆตทิตาทาก็พระเจ้าก็นั่งแล้วบนวันเหน่อยมากแตอตอนนั้นท่านนอนถึงก็เสียใจร้องไห้เพราะตามธรรมดาที่เคยเดินตามองค์นเลยไปจำใจมา ระยะทางร้อยยี่สิบโยตุพระเจ้าไม่เคยปวดวันเลย <c oughs> แต่ว่าวันนี้ปรากวดวันเลนือยแค่ตอนนั้นพระพุทเจ้าบอกว่าอนันทาดกคา อ, อ น, นุ์เวลานี้ตาถาเขาก็หายน้ํานึกเกิดอยากจะฉันน้ำก็เอาบาตไปจากน้ํามาเวลานั้นก็ปรากฏว่าในน้ํามันตื้นเกินห้าร้อยเล่มไม่ข้ามไปพอดีน้ําก็ขุ่น ถ้าโดนเห็นน้าขุนเข้าก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าบอกว่าเวลาที่น้ําขุนมากก็เกินห้าร้อยเล่มมันข้ามไปพระเจ้าก็ทว่าอนันทธาตุอนุญาตเจ้าท้าก็กรหายมากน้ําขุนแลน้ําใสก็ตามขอยได้ดืมก็แล้วกันถ้าดนก็กลับไปใหม่ตอนนี้น้ําใสแจ่วมันก็แหว่เป็นส้มจึงตักน้ํามาถวายพระเจ้าพระเจ้าก็สรงฉันเมื่อพระพุทธเจ้าสรงฉันเสร็จถ้าดนก็กลับไปพร้อมมหาวิจารณ์ พรา่างทีในน้ำมันขุนมากแต่เวลาไปทางหลังก็ใช้เวลาไปเดียวเดียวบันห่างก็ไม่กี่วาร์ทางห่างก็ไม่กี่วาร์ไปเดียวเดียวน้ามันจะใสไม่ได้เพราะน้ามันเปือนตมยิ่งเห็นด้วขออัศจรรยกลาวทุนองคตเปะตรตันโอสันเตสรวาค่าแต่องคตเปโต ร, รผู้เนพระเจ้าพระเจริยภาพมาอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่าบางทีนี้พระเจ้าไปเป็นห้าร้อยเรไม่ข้ามไป น้ำเป็นตน ข, ขุมคลักไม่สามารถจะตังมาได้ข้าวมาข้าวมาข้าวมาข้าว่าเข้าวองค์เดพระจอมตายแค่ประเดี๋ยวเดียวกลับไปทางสายเป็นเพราะอะไร พ, พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงว่าอนันทาดูกฎอ น, นุนการที่น้ำฝนน้ำใสเหตุเป็นอย่างนี้นี่ี่กฎพฤกกรรมใ น, น, มนบรรดาญาติโยมบริษัทนะอย่าถือว่าการรมเล็กน้อยไม่ให้ผลน้อยไงม่มี คนจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามกรรมย่อมสนองเสมอไปจะเป็นกษัตริย์ก็ตีจะเป็นพระเจ้าจะกระไรก็ตามเป็นชาวบ้านเศรษฐีบ้างเรษฐียาจุตเสียใจเหมือนกันหมดกฎของกรรมไม่เว้นถ้าราชนกตามพระเจ้าก็ตามพระเจ้าก็ตามกฎของกรรมนี่ไม่เว้นที่พระเจ้าต้องมีมรรคจิวภูมมรรพัตนรักษาพราะกฎของกรรมกรรมนี่เคยทําบาปนาติบัตไว้ทับทายป่วยไข้ไม่สบายที่เป็นผลของกรรม นี่พระเจก็บอกว่ามันเป็นกรรมเก่าพระตถาคตมันเป็นกรรมเล็กน้อยพระอนนทก็ถามว่ากรรมอะไรตอนนี้พระองค์พระเดระจอมไทเาถาว่าอ น, า น, านันทธาตุกอดอนนท์สมัยหนึ่งเมื่อตถาคตเกิดเป็นลูกคนจนเป็นลูกชาวนาเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงพ่อแม่ปล่อยไก่จากการไถานาและให้ลูกชายนําควายเอาไปกินน้ํา ลูกชายก็ขี่หลังคายกินน้ำมันมันมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่สองสองบ่อติดติดดกันพอไปถึงจากคายตอนมันก้มกินเราจะกินบ่อน้ําขุนเด็กชายก็พอดีใส่ก็คิดว่าคายมีความเหนื่อยมากมีความดีมากกินน้ําขุนไม่ทุกคนคนจะ ก, กินน้าใสยิ่งดึงสะพายย้ายปากไปกินน้ำใสองค์พระเดชพระจอมใจพระ ศ, ศาศัตสัาว์ารัสว่าอนันทบรมประนอมกามเพียงแค่เล็กน้อยเพียงเท่านี้นะ ไปจะกินน้ำํำขุนแต่ว่าตาขาคต ด, ดึงสะพายมากินน้ําใสแล้วในขั้นแรกนีบ่บรรดาต้องนอ น, น์ไปจะมีน้ําขุนารกวขึ้นแต่ไปข้างหน้าที่มีน้ําใสเกิดขึ้นในไปอันนี้สอนี่ธรรมดายาตยมก็จะเป็นสัตที่เรียว่ากดของกรรมคําว่ากดของกรรมนี่สนองไม่ว่าใครทั้งหมดแม้แต่พระเจ้ า, จาเองมันยังเอาแล้วพวกเราธรารมดาทั้งหลาย หลังจากนั้นไปองค์ พ, <unc> พ, งพระเด็ชประจอมใจพระมุสสานสตายก็ส่งพระเด็กไปเปิดเมืองอรุงสิทธามาานครในตอนนั้นอาวุธเจ้าเข้าไปพักในบ้านของนายจุนนายจุน chasing, นี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่พอวันรุ่งขึ้นนายจุนก็ถวายพระตาหายแก่บรรดาพระสงฆ์ก็รับพระสงฆ์ตั้งสองแสนองค์กว่าในบรรดาเจ้าพระมุสสานทรงคิดว่าต่อใช้อาหารแบบานทาไรการฆ่าหมูก็เป็นการฆ่าอย่างนัก เมีาหายหมูมา ก, ากอย่างอื่นก็พอมีแต่ว่าอาหารที่เป็นเนื้อหมูทั้งหมดเวลาที่ในจุลทงอาหารบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหมดก็ต้องการอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าถวายทานพระเจ้าในวันนี้ภานพระอาหารที่มีความสำคัญที่เมียได้ส่งมาแต่มีสองสมัยคือสมัยแรกวันก่อนจะรู้อภิเศษสมัมมาทัตติยานอาหารของนากพุชาดา ที่ถวายแล้วทำให้พ่อเจา้าพระฤาษีสมายายามาสมปิญญาใีเมรสมมากเขาว่าข้าวอหาหารในวั น, นิท้ผ่านเมรสมมากเป็นพิเศษที่เทวดานางพระก็อยากจะ ท, ทําบุญบ้างนำมาของที่ประกอบปลายใส่ในกระทะทุกกทะที่ไปหอหมเนื่อหมูองค์สมเด็จพระร่มคูก็ทรงสร้างวัวท้าพระเอื่นญใส่เข้าไปที่ตายหมดทั้งที่นี่ทุกคนไม่สามารถจะย่อยได้ เมื่อเขาทำเสร็จเมื่เขาจะถวายจะบ่าวในจนบอกว่าอาจารย์ธาตุกรในจุนจุนทธาตกตจุลอาหารที่เป็นเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดให้ถวายเจ้าถาก็แต่ผู้เดียวเขาทํำอาหารตามเพื่อถวายพระต้องสองแสนถวายองเดียวแต่าหารอย่างอื่นถวายพระได้เพราะธาตุพระองค์อื่นไม่สามารถจะย่อยได้ย่อยได้เฉพาะ่าตุไรคนเดียวในจุนก็ถวายตามนั้นเมื่อพุตรเจ้าฉันเสร็จฉันได้เล็กน้อยก็อีก กาสารในจุนวนอาหารทั้งหมดนี่ยกให้ใครกินเด็ดขาดถ้ากินแล้วตายให้นาไปฝังเขาก็นาไปฝังหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าเวลาตอนบ่ายเขาเสด็จไปที่ระหว่างนาลรัมมงคู่ไปวิหารที่นั่นก็ทรงเข้าไปชวนอยู่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมโคกเขาเล่าลอนลัดือเวลานาทีเดียว เวราชาวตรุองค์พระธเกษตรสวัสดีสมพระกัสมนิพานนิ ร, รันดรานั้นพุทธบริษัทหลายวันนี้จกกักมาเป็นวันสําคัญทั้งวันสําคัญคือหนึ่งเป็นวันพระเจ้ากเกิดสองเป็นวันพระเจากก้าตรุษสามเป็นวันพระเจ้าบุ ท, า, กกนนท า, านแต่ก็ขอท่านหลายที่เป็นพุทธบริษัททุกคนจงจำว่าพระเจ้าสอนเรื่อง ย, ยังไงคือหนึ่งสัม ป, ปะปาปัสยเดานังทุกคนอย่าทําความชั่วทั้งหมด แม้แต่ความชั่วเล็กน้อยซึ่งจำไม่น่าจะจำได้เป็นความชั่วที่พระพุทธเจ้าย้ายปากไปจากบ่อน้ําขุนมาบ่อน้ำใสนีสน่ก็ยิ่งไม่น่าจะเป็นความชั่วนะค่ า, าดานนั้นมันยังเอาได้นิดหน่อยพวกเราก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาบดานญาติโยมริสุทธุทัตทําแต่ความดีทุกอย่างพยานทำจิตใจของสายใจจีเลกเพราะว่าการเกิดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นคน ก, ก็ดีมันก็ไม่ดีทั้งหมด เป็นมนุษย์จะมีประบความทุกข์หายคามสุขจริงไม่ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมมีความสุขจริงแต่ว่าเป็นสุขไม่นานไม่ช้าก็จะต้องตายถ้าตายไปแล้วก็ไปแน่อาจจะไปเกิดในวายยังไปสู่สุ ข, ขติก็ได้ทุขสติก็ได้ตามที่ดีของพระดาแต่พระสมัยสันนิตั้งใจไว้เพื่อทิ่ผ่านโดยตรงอายถามว่าทุกคนมีบาตจะไปที่ผ่านได้ไหม ก็ทำขอแต่ว่าข้าที่พระนิพพานทุกองค์นั้นไม่หมดบาปแต่ละองค์ยังมีบาจุนมากๆทุกองค์แต่ว่าที่พระเจ้าตรันว่าพิกเวโดยกวบริสุตตรงหลายเธอตรงหลายจงยานึกตามถึงความชั่วทีธรรมมาแล้วทั้งหมดถึงเวลาที่เราสมุญญาไปนึกซึงบาปที่ทํามาแล้วนึกแต่บุญอย่างเดียวทุกวันทุกคืนก่อนจะหลับนึกตื่นใหม่ให้ทึ่งึ่งบุญที่ทําไว้ ว่าเราเคยใส่บาตบ้างเราเคยให้ทานบ้างกับคนในสัตว์เราเคยครักษาศีลบ้างเราเคยฟังเทศบ้างเราเคยเจริญภาวนาบ้างทั้งหมดนี้เป็นบุญเราต้องการแต่บุญอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญกรรมฐ า, านกรรมฐานภาวนานเป็นบุญให้ตั้งใจเป็นสมาธิจิตคิดคือบุญอย่างเดียวอย่างนี้เวลาตายบรรดาธรรมโวยสัตย์นัยจิตใจของท่านไม่นึกถึงบาปบาปไปเข้าหมายถึง